หนึอาทายสัตตกะว่าด้วยการดอกรถินด้วยการถือจีวรหลีกไปเจกรณี311ภิกษุกรานกรถินแล้วนําจีวรที่ทําเสร็จแล้วหลีกไปคิดว่าจะไม่กลับการดอกรถินของภิกษุนั้นชื่อว่ากําหนดด้วยหลีกไปภิกษุกรานกรถินแล้วถือเอาจีวรหลีกไป อยู่นอกสีมามีความคิดอย่างนี้ว่าจะให้ทาจีวร น, นี้ที่พายนอกสีมานี้แหละจะไม่กลับให้ทาจีวรผืนนั้นการดอกกระถินของภิกษุนั้นชื่อว่ากำหนดด้วยทาจีวรเสร็จภิกษุกรานกระถินแล้วถือเอาจีวรหลีกไปอยู่นอกสีมามีความคิดอย่างนี้ว่าจะไม่ให้ทาจีวร น, นี้ จะไม่กลับการเดาะกะถินของภิกษุนั้นชื่อว่ากำหนดด้วยตกลงใจภิกษุกรานกระถินแล้วถือเอาจีวรหลีกไปอยู่นอกสีมามีความคิดอย่างนี้ว่าจะให้ทำจีวร น, นี้ภายนอกสีมานี้แหละจะไม่กลับให้ทำจีวรผืนนั้นจีวรที่ภิกษุนั้นให้ทำอยู่นั้นเกิดเสียหาย การเดาะกระถินของภิกษุนั้นชื่อว่ากำหนดด้วยผ้าเสียหายภิกษุกรานกรถินแล้วถือเอาจีวรหลีกไปคิดว่าจะกลับอยู่นอกสีมาให้ทาจีวรผืนนั้นครั้นทาเสร็จแล้วได้ทราบข่าวว่าในอาวาสนั้นกระถินเดาะเสียแล้วการเดาะกระถินของภิกษุนั้น